รพร <c oughs> ท่านพุทธิศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาไฝ่บุญไฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 4, สี่สิงหาคมพุทธศักราช2550เป็นในพรรษาเป็นเวลาที่ศรัทธาญาติโยจะให้ความสำคัญ ต่อการบำเพ็ญประพุิธปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามากกว่าปกติในเหมือนกับในช่วงออกพรรษานอกพรรษาในพรรษาตลอดระยะเวลาสเดือนเป็นเวลาที่พุทธศาสนิกชนจะมีความ มีฉันทะคือความหยินดีมีวิริยะคือความอุตสาหะภาคเปลี่ยนมีจิตตะคือจิตใจที่จดจอ่อมีวิมังสาจิตใจที่ใข้ครวญในเรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นทางที่จะพาให้ สัตว์โลกทั้งหลายได้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอะไรที่จะพาสัตว์โลกไปได้นอกจากพ้อรามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐนี้ดังนั้นในช่วงเข้าพรรษาหรือในพรรษา จึงควรที่จะเพิ่มการประพฤติการปฏิบัติการศึกษาการเข้าวัดให้มากยิ่งขึ้นกว่าในช่วงนอกพรรษาบางท่านก็มีจิตศรัทธาที่จะปล่อยวางภารกิจการงานตลอดระยะเวลาสามเดือนออกบวช เป็นพระภิกษุสง์บ้าง<ม>เป็นแม่ชีบ้าง<ม>เพื่อที่จะได้มีเวลาเต็มที่ต่อการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติ<ม>ซึ่งก็เป็นเหมือนกับการทำอะไรอย่างอื่น<ม>เราต้องทุ่มเทเวลาเวลาให้กิบให้กับการงานนั้นๆผล ถึงจะปรากฏขึ้นมาถ้าให้เวลาน้อยผลก็จะปรากฏขึ้นมาน้อยถ้าให้เวลามากผลก็จะปรากฏขึ้นมามากดังนั้นเราจึงต้องดูที่เหตุคือการกระทําของเราเป็นหลักไม่ได้ดูที่ผลที่เราต้องการเพราะผลไม่ได้ลอยมาเหมือนเมฆบนท้องฟ้าเพียงแต่จุดทูบสามดอก แล้วก็ขอให้ได้ปรากฏเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นตามหลักของเหตุผลหลักของเหตุผลอยู่ที่เหตุคือการกระทาแล้วผลก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาถ้าเหตุมากผลก็จะมากถ้าเหตุน้อยผลก็จะน้อยไม่มีใครสามารถมอบผลให้กับเราได้ แม้แต่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรามีความเคารพนับถือก็ไม่สามารถที่จะมอบผลให้กับเราได้ไม่สามารถมอบมรรคผลนิพพานอันประเสริฐให้กับพวกเราได้ไม่สามารถมอบพรหมสมบัติเทวสมบัติมนุษยสมบัติให้กับพวกเราได้ มีแต่พวกเราเท่านั้นที่จะต้องมองให้กับตัวเราเองด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาถ้ามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้เหตุ <tte? S 1> ที่เราทำอะไรกันไม่ได้ก็เพราะเราไม่มีอิทธิบาทสี่นี้เอง คือไม่มีฉันทะความยินดีความพอใจที่จะสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการไม่มีวิริยะความภาคเพียนที่จะดำเนินที่จะปฏิบัติให้ผลปรากฏขึ้นมาไม่มีจิตตะคือจิตใจที่จดจอ่อกับภารกิจการงานที่เราจะต้องทำไม่มีวิมังสา คือจิตใจไม่คิดไม่ไข้ครวนถึงถึงงานการที่เราจะต้องทำมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นเสียก็เลยไปทำเรื่องอื่นเมื่อไปทำเรื่องอื่นผลที่เราต้องการก็ไม่ปรากฏขึ้นมาได้แต่ได้แต่ผลที่เกิดจากการกระทำในเรื่องอื่นๆพวกเราอยากจะมีความสุขความเจริญ แต่เราไปให้ความสนใจกับสิ่งที่จะทำให้จิตใจเราเสือ่อมเราต่ำลงเมื่อเป็นเช่นนั้นผลก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจจึงเป็นสิ่งที่ตามมาดังนั้นจึงขอให้เราจงมุ่งไปที่พระธรรมคาสอนมุ่งไปที่การศึกษามุ่งไปที่การปฏิบัติ ด้วยฉันทะฉันทะก็คือความยินดีความพอใจทำอย่างไรเราถึงจะเกิดความยินดีความพอใจก็ไม่ยากคือเราต้องมั่นเข้าหาผู้รู้มั่นหาผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ได้สิ่งที่เลิศที่ประเสริฐ ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้มาเป็นสมบัติแล้วถ้าได้อยู่ใกล้ชิดได้ยินได้ฟังจากท่านผู้นั้นเราก็จะได้ยินถึงความดีความประเสริฐของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดฉันทะคือความอยากที่จะปฏิบัติ อยากเกิดเกิดความพอใจเหมือนกับเวลาที่เราดูโฆษณาต่างๆของสินค้าต่างๆในเบื้องต้นเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าชนิดนี้เป็นอะไรทำอะไรได้บ้างพอเห็นเขาโฆษณาสินค้าเราก็รู้ว่ า, าสินค้าชิ้นนี้ดีอย่างไรทำทำอะไรให้กับเราได้ถ้าเราไม่ได้ดูโฆษณา เราก็จะไม่รู้เราก็จะไม่เกิดความยินดีที่จะไปซื้อสินค้านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราฉันใดเราก็ต้องอาศัยการโฆษนาทางด้านธรรมะคือขอให้เราดูธรรมะฟังธรรมะอย่าไปดูอย่างอื่นมากจนเกินไปส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยสนใจดูธรรมะหรือฟังธรรมะกัน เพราะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เสนอนั้นไม่ได้เสนอให้เกิดความศรัทธา<ม>ให้เกิดความยินดีขึ้นมาคือเสนอไม่ถูกหรือเสนอไม่เป็นหรือเสนอแบบผิดผิดถูกถกูคือไม่ได้เห็นด้วยตนเองเสนอไปตามความคิดความจิ ต, ตนาการของตนซึ่ง ถูกบ้าไม่ถูกว่างเหมือนกับคนที่ไม่เคยไปสถานที่แห่งหนึ่งเพียงแต่ได้ยินได้ฟังได้อ่านแล้วก็ไปบอกผู้อื่นผู้อื่นฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเกิดความเชื่อหรือเกิดความยินดีที่จะไปที่นั้นไม่เหมือนกับคนที่ได้ไปถึงแล้วได้เห็นแล้ว แล้วนํามาบอกเล่าให้ฟังว่าสถานที่นั้นมีอะไรอย่างไรดีอรดีมากน้อยเพียงไรและพูดด้วยความมั่นใจถ้าถูกซักถามก็สามารถตอบได้โดยไม่มีความไม่แน่ใจตอบด้วยความมั่นใจเมื่อผู้ฟังผู้ถามได้รับคําตอบที่มั่นใจแล้วก็จะเกิดความเชื่อขึ้นมา เกิดความยินดีเกิดฉันทะขึ้นมาดังนั้นในเบื้องต้นการที่เราจะมีฉันทะนั้นเราต้องไปหาพระที่รู้จริงเห็นจริงพระสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่พระที่ศึกษาอย่างเดียวศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติยังไม่พอยังไม่ได้ทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงในจิตในใจ เพราะกิเลสนั้นไม่ได้ตายด้วยการศึกษากิเลสจะต้องตายด้วยการปฏิบัติเท่านั้นต้องปฏิบัติทานศีลภาวนากิเลสถึงจะถูกทำลายไปได้ถ้าอ่านศึกษาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาก็จะไม่เห็นความแตกต่างที่จะปรากฏขึ้นมาในใจิตในใจของตนเอง ก็จะไม่สามารถอธิบายหรือสอนให้ผู้อื่นเห็นถึงความประเสริฐของการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงได mm hmm. ้เหมือนกับคนที่ไม่ได้รับประทานอาหาร mm hmm. เพียงแต่เห็นอาหารที่เขาขายอยู่ตามร้านแต่ไม่ได้ซื้ออาหารสั่งอาหารนั้นมารับประทาน mm hmm. ก็ไม่รู้ว่ารสชาติของอาหารนั้นเป็นอย่างไร ดีหรือไม่อร่อยอร่อยหรือไม่จะไม่รู้จะไม่รู้ว่ารับประทานเข้าไปแล้วอิ่มหรือไม่หรือความอิ่มนั้นเป็นอย่างไรฉันใดการศึกษานั้นเป็นเพียงขั้นขั้นต้นเท่านั้นเองแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอะไรเหมือนกับแผนที่ เราต้องการเดินทางไปที่ไหนถ้าไม่มีคนพาไปเราก็ต้องเปิดแผนที่ดูแต่เมื่อเราดูแผนที่แล้วเราไม่ออกเดินทางเรายังอยู่บ้านไปต่อให้ดูไปอีกสิปีก็ไปไม่ถึงไหนเพราะเราไม่ได้ออกเดินทางไปเมื่อดูแผนที่แล้วรู้ว่าจะต้องเดินทางไปทิศไหนเราก็ออกเดินทางไปเดินไปเรื่อยๆ ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางนี่ก็เช่นกันเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงแล้วเราก็จะเกิดฉันทะความยินดีที่จะออกปฏิบัติเมื่อเรามีฉันทะแล้ววิริยะคือความภาคเปลี่ยนก็จะตามมา เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัติที่เราจะทานี้จะนำอะไรมาให้กับเราเราจะได้รับผลตอบแทนอย่างไร mm hmm. เหมือนกับคนที่ทำงานแล้วได้รับเงินรู้ว่าเงินเดือนจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ mm hmm. ก็จะมีกำลังจิตกำลังใจมีวิริยะที่จะทำงาน mm hmm. ถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่ศึกษาอย่างเดียว mm hmm. ก็จะไม่ได้สัมผัส กับผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็เหมือนกับทำงานแล้วไม่ได้เงินเดือนเมื่อไม่ได้เงินเดือนก็จะไม่มีกำลังใจที่จะทำถ้าเราศึกษาแล้วเรานาเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้สัมผัสที่เกิดจากการปฏิบัติคือจิตใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจเพิ่มมากขึ้นไปมีความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงไป นี่คือวิริยะคือเบื้องต้นเมื่อเรามีฉันทะแล้วเราก็จะมีความวิริยะความภาคเพียรสามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เมื่อก่อนเราไม่ปฏิบัติได้เช่นเมื่อก่อนเราไม่ชอบทําบุญให้ทานเราเสียดายเงินทองที่เราหามาแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วว่าการทําบุญให้ทานนี้ มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจของเราทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจทำให้เรามีความโลภน้อยลงและเมื่อเราตายไปไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าเราก็จะมีสมบัติข้าวของเงินทองรอเราอยู่อย่างน้อยในปัจจุบันเราจะเห็นผลที่เกิดขึ้นถ้าเราให้ทานบ่อย ถ้าให้ด้วยจิตใจที่ไม่ <c oughs> ไม่มีความหวังที่จะเอาสิ่งตอบแทนจากผู้ที่ให้ผู้ที่เราให้จากผู้ที่รับน <c oughs> คือเวลาให้ขอให้เราให้ด้วยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ <c oughs> ให้ด้วยความเมตตากรุณา <c oughs> ไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับ <c oughs> ไม่ต้องการให้เขาขอบอกขอบใจ หรือให้เขามีความสำนึกในบุญคุณเราให้เขาเพราะเราเห็นว่าเขาเดือดร้อนเขาทุกข์ยากลําบากเราต้องการที่จะปลดเปรื้งผ่อนปลนความทุกข์ยากลาบากของเขาให้น้อยลงไปถ้าเราทำอย่างนี้ใจของเราจะมีความสุขใจมีความอิ่มมีความพอมีความภูมิใจและเราก็จะเกิดความ พอใจที่จะทำมากขึ้นแทนที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้กับสิ่งที่เป็นโทษหรือไม่เป็นประโยชน์กับใจเราเช่นเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือเอาไปใช้กับพวกเอาใบายมุกต่างๆไปดื่มสุรายาเมาไปเที่ยวกลางคืนไปซื้อของฟุ่มเฟือยเมื่อทำไปแล้วไม่ได้ทำให้จิตใจมีความอิ่มเอิบมีความสุข มีความภูมิใจแต่กลับทำให้มีความอยากมากขึ้นอยากที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยมากขึ้นอยากจะดื่มมากขึ้นอยากจะเที่ยวมากขึ้นต่างกับเอาเงินนี้มาทำบุญให้ฐานมาสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเมื่อเราทำแล้วเราจะมีความรู้สึกที่แตกต่างเกิดขึ้นในตัวเราเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดีขึ้น เป็นคนที่มีความเมตตากรุณามากขึ้นเป็นคนที่มีความภูมิใจในตัวของเรามากขึ้นมีความสุขมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นแล้วความอยากที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือไปเที่ยวไปเดิมอะไรต่างๆก็จะมีน้อยลงไปเมื่อเราเห็นผลแล้วเราก็จะมีความ วิริยะเพิ่มมากขึ้นอยากจะทํามากขึ้นและเราจะมีจิตตะคือจิตใจของเราจะจดจอ่อจะคิดแต่เรื่องการทําบุญเรื่องการรักษาศีลเรื่องการภาวนาเพราะพอเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นมีความอิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะการกระทําเหล่านี้ เป็นการให้อาหารกับใจของเราใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายร่างกายของเราต้องการอาหารฉันใดใจของเราก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันและอาหารของใจก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เองถ้าเราให้อาหารเหล่านี้กับใจได้มากเท่าไหร่ใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้น จนในที่สุดใจของเราก็จะมีความสุขเต็มที่เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ได้สัมผัสนั่นก็คือบรมสุขปรมังสุขขังคือความสุขของพระนิพพานนี่คือความอิ่มเต็มที่ของใจที่พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับ ได้บิณิตที่จะครอบครองได้ขอให้เรามีจิตใจที่จดจอ่อคิดแต่เรื่องของบุญเรื่องของกุศลอย่าไปคิดในเรื่องทางโลกอย่าไปคิดในเรื่องการหาราบยศสารเสริญสุขเพราะมันไม่ได้เป็นอาหารของใจมันเป็นพิษกับจิตใจเพราะมันจะสร้างให้เกิดความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นนั่นเอง คนที่ยิ่งรวยยิ่งสูงเท่าไหร่จิตใจกับยิ่งต่ำลงยิ่งมีความโลภมากยิ่งมีความโกรธมากยิ่งมีความหลงมากเพราะเป็นการเสริมสร้างความโลภความโกรธความหลงนั่นเองพอได้มาแสนหนึ่งก็เกิดความโลภอยากจะได้เป็นล้านพอได้มาเป็นสิบล้านก็เกิดความโลภอยากจะได้เป็นร้อยล้านแล้วถ้าไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมา ถ้าใครเป็นผู้ขวางขัดขวางก็จะอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมทำร้ายเขากลายเป็นคนไม่ดีไปต่างกับทางของพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้เราให้อยู่เรื่อยๆสงสอนให้เราอย่าหวงสมบัติข้าวของเงินทองเมื่อเราท ร, รมาหากินด้วยความสุจริต เรามีเงินทองที่เกินความจำเป็นอย่าไปเก็บเอาไว้เพราะตายไปเอาติดตัวไปไม่ได้ตายไปก็กลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปแต่ถ้าเราเอาไปทําบุญให้ทานก็เป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารพอเราไปที่ไหนเราก็สามารถเบิกได้เช่นเดียวกันกับ บุญกุศลเมื่อเราตายไปเกิดที่ไหนบุญกุศลคือสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็จะรอเราอยู่ข้างหน้าได้ไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐีลูกของพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีลาบลอยมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องเลี่ยนรนหาเหมือนผู้อื่น เพราะเป็นอนิสงค์ของการทำบุญให้ทานของเราและถ้าเรารักษาศีลไว้ได้อย่างมั่นคงคือศีลห้าเราก็จะได้ไปสู่สุคติเราไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกเพราะที่นั่นจะเป็นที่ของผู้ที่ไม่รักษาศีลนั่นเอง ถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดปรเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาเมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายเพราะการไม่รักษาศีลเป็นเหตุและผลก็คืออบายก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาแต่ถ้ารักษาศีลได้สถานที่จะไปเกิดก็คือพบของมนุษย์พบของเทวดา ภพของพระองค์ภพของพระอริยเจ้าทั้งหลายสูงต่ำก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่จะต้องปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือภาวนาถ้าเพียงแต่ทําบุญทาทานรักษาศีลเป็นหลักไม่ได้ภาวนาเมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์ถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นก็ต้องบาเพ็ญสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบไม่ให้คิดปรุงเรื่องต่างๆด้วยอุบายแห่งกรรมฐานต่างๆเช่นอนาปนาสติคือการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกอาศัยลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องผูกใจเหมือนกับเรือที่ต้องอาศัยเสาหรือท่าน้ำ ไว้ผูกผูกกับเรือไว้เพื่อจะได้ไม่ให้เรือไหลไปตามกระแสน้มใจของเราก็เป็นเหมือนกับเรือถ้าไม่มีอะไรผูกไว้เช่นอนาปนาสติคือลมหายใจเข้าออกใจของเราก็จะลอยไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าคิดแล้วใจก็จะไม่สงบไม่นิ่งก็จะไม่มีความสุข แต่ถ้าเราสามารถผูกใจของเราไว้กับลมหายใจโดยมีสติคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ให้ใจเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ <c oughs> ให้ผูกติดอยู่ไว้กับลมหายใจใจก็จะค่อยๆสงบตัวลงไปทีละเล็กทีละน้อย และถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็จะสงบนิ่ง <c oughs> ขณะที่ใจสงบนิ่งตอนนั้นก็ไม่ต้องดูลมหายใจเพราะไม่มีความจาเป็นใจไม่ดิ้นไปไหนอีกแล้วตอนนั้นใจก็จะมีความสงบเย็นสบายมีความสุขเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นความสุขที่เหนือความสุขอื่นใดในโลกนี้ สุขที่ได้จากการสัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นรสผลตพะก็ดีสุขที่ได้จากการได้เงินได้ทองมาก็ดีสุขที่ได้จากการได้รับตําแหน่งได้รับยศต่างๆก็ดีได้รับการสรรเสริญก็ดีจะสู้กับความสุขที่ได้จากความสงบของใจไม่ได้เมื่อได้สัมผัสกับความสงบแบบนี้แล้วก็จะ มีความยินดีที่จะทุ่มเทเ ว, เวลามเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นไปถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติสูงกว่านี้ตายไปก็ได้ไปสู่พรหมโลกเพราะจิตมีฌานเป็นสมบัตินั่นเองความสงบนี้เรียกว่าฌานเป็นสมบัติของพรหมแต่ถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นคือไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกเลย ก็ต้องเจริญวิปัสสนาเพราะถ้ายังไม่เจริญวิปัสสนาถึงแม้ได้ไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะเมื่อบุญที่ได้ทำไว้สำหรับสวรรค์ชั้นพรหมนั้นเสื่อมไปหมดไปเจตก็จะหยาบลงก็จะเคลื่อนลงจากสวรรค์ชั้นพรหมสู่สวรรค์ชั้นเทพและเมื่อบุญสองของสวรรค์ชั้นเทพหมดไป ก็จะเคลื่อนลงสู่มนุษย์เสลล์โลกเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่ก็ต้องมาบำเพ็ญกันใหม่แต่ถ้าได้เจริญวิปัสสนาแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดคือจะกลับมาเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าได้ขั้นที่หนึ่งคือขั้นของพระโสดาบันเจริญวิปัสสนา ด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นใจลักษ์คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นร่างกายของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นกองทุกเนี่ยร่างกายของเรานี่เป็นความทุกวันหนึ่งเกิดตื่นขึ้นมาก็ทุกแล้วทุกด้วยความหิวอาหารต้องให้อาหารต้องอาบน้ำอาบท้า ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องคอยดูแลรักษานี่ก็เป็นความทุกข์แล้วเมื่อตายไปก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเป็นทากสีไม่ได้เป็นตัวเป็นตนถ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นอย่างนี้แล้วจิตก็จะบรรลุธรรมขั้นแรกเป็นพระโสดาบันขึ้นมาอา น, นิสงส์ของพระโสดาบันก็คือจะมีภพชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติถ้าจะต้องกลับมาเกิด คือถ้าเกิดยังไม่สามารถปฏิบัติให้สูงไปกว่านี้ได้ตายไปก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติและจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้ในอดีตเคยทำบาป ท, ทำกรรมามากน้อยเพียงรอยก็ตามแต่เมื่อได้เป็นโสดาบันแล้วมีแต่จะเกิดในสุกติคือไม่เป็นเทพก็เป็นมนุษย์ไม่เกินเจดชาติ พอเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาบำเพ็ญต่อโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครไม่ไม่ต้องมีใครบังคับเพราะใจของพระโสดาบันมีฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาอยู่กับธรรมอยู่แล้วได้เข้าสู่กระแสของธรรมกระแสที่จะนําไปสู่พระนิพพานอยู่แล้วเพียงแต่ต้องไหวไปเท่านั้นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะ จะสามารถปฏิบัติต่อไปได้เลยไม่ว่าจะมีอาจารย์หรือไม่ก็ตามถ้ามีอาจารย์ก็จะเร็วหน่อยถ้าไม่มีอาจารย์ก็ช้าหน่อยแต่ไม่หลงทางแล้วรู้ยุตไปถูกทางแล้วจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นก็ไม่เกินเจ็ดชาถ้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าขั้นพระเสกิีดาขามีขั้นนี้ก็ต้องจเจริญธรรมอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าอาสุภกรรมฐาน เคยจะต้องพิจารณาเห็นความไม่สวยงามของร่างกายว่าร่างกายของคนเรานี้เป็นเหมือนศพเดินได้มีอาการ32ใต้ผิวหนังก็มีโครงกระดูมีอวัยวะต่างๆมีสิ่งต่างๆที่ไม่สวยไม่งามซ่อนเร้นอยู่ว่าเมื่อเวลาไม่หายใจไปแล้วก็จะกลายเป็นซากศพไป จะเห็นว่าเป็นซากศพเดินได้ซากศพที่หายใจได้ก็จะไม่มีความยินดีหรือมีความยินดีน้อยลงไปคือก็จะเป็นพระสกิดาคามีขึ้นมาคือได้ละความยินดีคือราคะตัณหาให้เบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดสิ้นไปก็จะมีภมชาติเหลืออีกเพียงหนึ่งชาติเท่านั้น ถ้าสามารถเจริญปัสสะกรรมฐานจนสามารถตัดราคะตัณหาได้หมดสิ้นไปไม่มีความยินดีที่อยากจะมีคู่ครองอีกต่อไปก็จะกลายเป็นพระอนาคามีเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สาก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในกามโลกกามาพคือพบของมนุษย์พบของเทพอีกต่อไป ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมชั้นสุทาวาดมีอยู่ห้าชั้นด้วยกันและจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดหรือถ้าบำเพ็ญต่อไปในขณะที่เป็นมนุษย์และสามารถกำจัดอวิชชาได้ก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่ต้องไปเวียนว้าตายเกิดอีกต่อไปนี่คือวิปัสสนาเป็นธรรมขั้นสูงสุด เป็นธรรมที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ทำขั้นทานศีลกับสมถภาวนาไม่สามารถตัดภพชาติได้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกถ้าอยากจะให้หลุดพ้นก็ต้องเจริญขั้นวิปัสสนาด้วยแต่ก่อนจะไปถึงขั้นวิปัสสนาได้ก็ต้องไต่เต้าจากขั้นต่าขึ้นไป จากการให้ทานขึ้นไปสู่การรักษาศีลจากการรักษาศีลสู่การบำเพ็ญสมถาภาวนาเมื่อจิตใจมีความสงบแล้วถึงจะสามารถเจริญวิปัสสนาภาวนาได้จะข้ามขั้นไปไม่ได้เหมือนจับอยู่ชั้นอนุบาลจะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย ไ, ไม่ได้ต้องเข้าสู่ชั้นปถมก่อนแล้วก้าวสู่ชั้นมัธยม แล้วจึงจะเข้าสู่ขั้นอุดมศึกษาเข้ามาหาวิทยาลัยการบาเพ็ญประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นเช่นนั้นต้องก้าวไปตามขั้นของตนเราอยู่ขั้นไหนเราก็ก้าวจากขั้นนั้นสู่ขั้นนั้นไปถ้าเราอยู่ขั้นศีลแล้วเราก็ก้าวเข้าสู่ขั้นภาวนาได้เลยถ้าเรายังอยู่ขั้นทานเราก็ต้องเข้าสู่ขั้นศีลก่อน เพระไม่เช่นนั้นเราจะภาวนาไม่ได้ถ้ายัางรักษาศีลไม่ได้เวลาภาวนาจิตใจจะมีนิวรณ์จิตใจจะมีความวิตกมีความกังวลต่างๆจะไม่สามารถทำจิตใจให้สงบได้ถ้ายัางรักษาศีลไม่ได้ก็ต้องทำบุญให้ทานให้มากๆก่อนเพราะเมื่อทำบุญให้ทานด้วยจิตที่เมตตากรุณาแล้วต่อไปก็จะไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่น ก็จะมีศีลขึ้นมานี่คือสิ่งที่พุทธศาสนิอกชนจะตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญกันในช่วงเข้าพรรษานี้ในพรรษานี้จะให้เวลามากต่อการปฏิบัติเพราะชีวิตของเรานั้นมันไม่แน่นอนจะไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครกำหนดได้ว่าจะไปวันนั้นหรือไปวันนี้ จะไปอายุเท่านั้นอายุเท่านี้เรากำหนดไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของบุญของกรรมเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจึงไม่ควรประมาทเมื่อเรามีเวลามีโอกาสที่จะบาเพ็ญได้ที่จะเข้าวัดได้ก็ขอให้เรามุ่งไปที่วัดกันมุ่งไปบาเพ็ญกันอย่าพัดวันประกันพรุ่งเพราะวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้ ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้สแสดงว่าท่านไม่ตั้งอยู่ในความประมาทท่านมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่จะนำพาท่านไปสู่ความสุขและความเจริญสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ในที่สุดอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการบาเพ็ญเรื่องของการศึกษา เรื่องของการปฏิบัติให้ท่านได้นำเอาไปคิดพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุโสณผลบุญที่ท่านได้มากระทานกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ทั้งหลายทางโลกและหลายทางธรรมโดยทั่วหน้าการเธอ